ลูกหลานทางหลายที่เห็นหลวงพ่อใส่แว่นตาดำเพราะว่าเมื่อเช้านี่หลวงพ่อก็ใช้แว่นตาขาวไปบินทาบาทกลัวศรัทธาญาติโยมโลูกหลานหมาชาวบ้านจะแตกบ้านก็เลยใส่แว่นตาขาวไปแต่ตามไม่จริงเขาให้ใช้แว่นตาดำเพราะมันจะได้ปกป้องสีแสง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 อย่างพวกลูกหลานได้เห็นหลวงพ่อลงไปวันที่14พอไปงานพระราชทานเพลิงศพของท่านเจ้าคุณรองเจ้าอ า, อาวาสวัดโพธิสมพรเจ้าคุณอุดรเจ้าคุณราชบุตาจาร์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรท่านอายุ90สิปี ท่าน90ปีกว่านะท่านก็มรณะแต่ก็ได้พระธานเพิงสรีระสังขารของท่านเมื่อวันที่14มิถุนาห้าเหลวงพ่อได้ไปร่วมงานงานวันนั้นก็รู้สึกว่า ต, ตัวของท่านเองได้ไปป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินต์ตึกที่หลวงพ่อไปสร้างน่ตึกสมเด็จญาชั้นที่สิบ ที่ว่าหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นท่านไปป่วยทั้งสี่ปีกว่าท่านไปนอนพักที่นั่นจากนั้นท่านก็ได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ลูกหาว่าจะถุปัจจัยที่ได้มาที่ท่านป่วยขอให้มอบให้โรงพยาบาลศีนครินแต่ลูกศิษย์ลูกหาเขาอหน่าจะมอบเป็นจิตยลักษณะถ้าจะมอบให้ดูที่นั่นเลยก็แล้ ว, ลวไปควรจะ เป็นจิตยลักษณะคือท่านมรณะภาพแล้วก็เมื่อจัดงานศพของท่านวันที่จะพระราชทานเพลิงศพก็ได้รวบรวมจุปปัจจัยถวายให้กับหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นกับโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อเป็นประธานประธานมนิ์ในเทหอพิบาลสงหลวงปู่มั่น โพิโต้หลวงพ่อก็เข้าไปรับแทนกับคณะกรรมการท่านจ้าคุณราชเจ้าคณะจังหวัดก็เป็นตัวแทนทางฝ่ายมอบหลวงพ่อเอ็นก็เป็นตัวแทนทางฝ่ายรับแทนก็ได้ถวายในหน้าเมนของหลวงปู่ท่านจกคุณราชผู้ทายา์เป็นเงินหนึ่งล้านบาทหลวงพ่อก็รับพอรับเสร็จแล้วก็ หลวงพ่อก็ได้มอบให้กับท่านธณะบดีโรงพยาบาลศรีนครินพร้อมกับรองคณะบดีกับคณะแพทย์เศรศาสตร์มีอาจา ร, รย์หมอวนเทียนมารับคณะแพทย์กับมากหลายท่านอยู่หลวงพ่อก็ได้มอบให้ไปดำเนินเอาเข้าบูไดิทิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นต่อไปวันในวันนั้นวันที่สิบสี่ จากนั้นหลวงพ่อก็ได้เดินทางลงไปกรุงเทพไ ป, ไปพักที่สวนแจงธรรมพักดึกดื่นพอสมควรพอพรุ่งนี้เช้าก็ไปฉันที่จิตโภชนาภักวันครอบรอบของคุณหลวงคุณหลวงที่เคยมาวัดเราปูนอ้วนครอบรอบปีท่านบรณะวันที่สามก็จัดวันที่ส4 เพราะว่าความพร้อมของพ่อก็ได้ไปวันที่สิบสี่คณะศรัทธาญาติโยมในวันนั้นโอ้ล้นหลามจนหาที่จะจอด ร, รถจะไม่ได้อดมากจริงๆเพราะบริวารกดรู้จักมักคุ้นท่านมากคนก็ไปในงานก็อรอบวันมรณะของคุณหลวงจากนั้นทุงพ่อก็ได้กลับวัดจากนั้นก็ได้ไปหาหมอ อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดคนครปฐมหลวงพว่อจาไม่ได้แต่ไปบ้านแพ้วไปตรวจไปตรวจแล้วก็หมอก็มีคล้ายๆว่าเป็นหมอทางรัฐบาลเขาก็ทําได้ในระดับหนึ่งแต่นี้นเขาก็แนะนำมาทางโรงพยาบาลสุขุมวิทหมอตาโรงพยาบาลสุขุมวิทอาจารย์หมอปลิน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 ที่เอามาใช้ในงานเพื่อไม่ให้มีปัญหาแหมองใกล้มองไกลได้ไหมทีแรกเขาก็จะเอาดินธรรมดาให้เดินแบบใส่เข้าไปข้างหนึงสะกก่อนแลว้ววันต่อไปมาอีกข้างที่2พอเขาได้ยินอย่างนั้นเขาเลยเอาได้เลยใส่ทั้ง2ข้างพร้อมกันเลยเขาก็เลยใส่ทั้ง2ข้างพร้อมกัน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 พอวันรุ่งขึ้นให้มาถึง16นาฬิกา เ, เขารับมามาถึง16นาฬิกาเขาก็มาหยอดตาอะย่าหยอดตาถึงเกือบ6โมงเกือบ2ชั่วโมงอ่ะพอมา่านตาเปิดเต็มที่เขาก็เลยขึ้นไปห้องผ่าตัดพอผ่าตัดก็ใช้เวลาข้างแล้วประมาณหลวงพ่อคิดว่าหน้าประมาณข้างได้10นาทีนะเร็วนะเขาทํา เขาเปลี่ยนเลนแบบที่ว่ า, าไม่ต้องใส่แว่นต่อไปแล้วก็ใช้ประมาณที่2 0 3สปีพอเสร็จแล้วเขาก็ให้ออกมาพักทางโยมเขาเลเช่าห้องให้พักผ่อนในโรงพยาบาลห้องแอดมิดโอ้แอดมิดก็แพงนะถูกหลานนะประมาณ 7,000 พบาท แต่นอนไม่ตลอดคืนนอะนอนประมาณชักสีทุ่มแต่เขาก็แอดมิททั้งคืนนนะเขาไปนอนก็ไม่มีคนอะว่างๆตลอดหลงพ่อเขาไปพักที่นั่นเขาก็หยดตาสองสามครั้งเสร็จแล้วขมหมอเ็าเลลงมาตรวจประมาณสี่ทุ่มลงมาตรวจแล้วก็บอกว่าอยู่ในสภาพปกติไม่มีอะไรดีคันดีเขาก็ให้กลับวัดสวนแสงธรรม แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปในชุมชนกลุ่มใหญ่เขากลัวมากก็คือติดเชื้อติดเชื้อถ้าเป็นไปได้ก็ให้พักอยู่แบบเงียบๆสะก่อนอย่างน้อยสามถึงเจ็ดวันไม่ให้พบกับคู่คนให้พักสะก่อนเขาก็พูดอย่างนั้นะแต่อย่างอื่นเขาไม่กลัวน้ําน่เขาไม่กลัวถูกน้ําน่เขาไม่กลัวแต่ กลัวน้ำที่มีเชื้อเชื้อโรคเพราะนะั้นเขาจึงให้ล้างหน้าด้วยน้ำเกลือเอาน้ำเกลือสำลีเช็ดถ้านั้นก็น้ำต้มที่มันสุกแล้วล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดก็ลกลัวที่สุดก็คือเชื้อโรคเชื้อที่จะเข้าไปในตาถ้าเชื้อเข้าไปในตาแล้วก็มีปัญหาหลวงพ่อแต่การดูแล ร, รักษานั้น เขาก็จะพูดกับหมอสุวัตที่เป็นญาติของคุณพัด์ที่เป็นหมอตาอยู่ที่โรงพยาบาลห น, นองบวัวลำพูให้หมอคนนี้ดูแลรักษาเพราะเราจะเดินทางลงกรุงเทพมันไกลให้หมอสุวัตช่วยดูแลหลวงพ่อทางนู้นถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นยังคอยโทรมาหาผมอันนี้คื อ, คอ หลวงพ่อเข้าไปหาหาหมอตาแต่ว่าสว่างไหมหลวงพ่อโอ้สว่างนะเออพอเข้าไปนะมันจ้าเข้าไปจนถึงจากะยี่นั่นแหะมันสว่างเกินไปมันขาวเกินไปเพระงนันเออมันมองเห็นอะไรถ้าใส่แว่นตาดำเข้าไปนะพดีพดีเถ้าใส่แว่นตาขาวเนะี่ยมองไปที่ไหนนะมันแสงสะท้อนเข้ามาหาตารู้สึกว่าตามันจะสว่างเกินไปยังรับไม่ได้ แต่เดินไปบินทบาทนะก็เหมือนกับมีพยับแดดอยู่ข้างๆนะขยบขยบขยบขยบขยบคือความไม่ไม่ปกติน่ะแต่ว่ามองมองดูมันไม่เหมือนตาปกติหรอกตึงใจสว่างก็ไม่เหมือนตาปกติ่าปกตินี่มันจะมองออกทั้งสองข้างได้ไกลนะแต่นี้มันเหมือนกับมีอะไรป้องป้องตาทั้งสองข้างไม่อยู่มองมองไปทางทางหน้านะแต่มองเห็นได้ชัดนะ แต่อ่านหนังสือเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แว่นเริ่มไม่ใช้แว่นแล้วสัก3ามวันเนี่ยจะเข้าโรคตั้งสัก7จาสัก15วันไปว่าปกติอันนี้ก็คือที่เขาพูดให้หลวงพ่อฟังเอาบอกแนะนำวิธีการรักษาเขาไม่มีอะไรเพราะว่าเขาเปลี่ยนเลนใส่เข้าไปน้อยนึงใช้เปนเวลาไม่นานไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะแต่ว่าลำคาญ รำคาญม่นมีไม่มีเพราะว่ามันแสงสว่างมันจ้าเข้าไปในตาเนี่ยอย่างมากๆเลยแต่เขาก็หยดน้ำอยู่ตลอดในขณะที่เขาทำานะใช้เวลาเพียงข้างละ10บนาทีแล้วก็จบเนี่ยแหละวันลุงขึ้นหลวงพ่อก็ตื่นขึ้นมาตามไม่จริงหมอเขาก็ไม่อยากจะให้บินทบาทละอาจารย์หมอที่เขาดูแลแต่ไม่ใช่หมอผู้ผ่าตัดนะอาจารย์หมอชนเทพ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 เมื่อดฟ้ามัวดินคนโอ้เยอะไม่ขาดไม่คิดเหมือนกันคนจะเยอะขนาดนั้นอาหารการบริโภคมากเนี่ยแหละแต่หลวงพ่อก็ได้พูดว่าคณะจัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อไปทำาทาตาไปทำตาเพิ่งเสร็จแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายข้างละหกหมื่นหกหมื่นเก้าแต่ก็มีผู้ประวัลนาแล้วล่ะ พูดใน้ฟังทางนี้ทางนั้นอยากจะให้พวกเราท่านทาั้งหลายได้ทราบว่าตาหลวงพ่อในี่ยทำเสร็จแล้วค่างละหกหมื่นเ0 0าบาทส่วนหนึ่งก็บอกให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ทราบว่ามีผู้ประวรานาเพียงแต่เรียนให้พวกเราท่านทาั้งหลายได้ทราบแต่หลวงพ่อทำไมจึงมีค่าใช้จ่ายมากถึงขนาดนั้นทาไมทาแพงนัก หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วว่าหลวงพ่อได้ช่วยสงเคราะห์โรงเรียนบางโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ต่างๆมากมายมากกว่าที่ใช้กับหลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกว่าอาหังสุกิโตโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขสัพเพสัตตาสุกิตาโหนตุขอสัพพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขคําว่าสัตว์คํานี้ไม่ใช่ว่าสัตว์ที่ได้ฉันช้างม้าวัวควายไม่ใช่นะ คำว่าสัตตานี้คือว่าสัตตะแปลว่ายังคล่องอยู่ในภพในชาติตั้งแต่พรมลงมาแต่ท่านผู้ใดก็ตามยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอระหรันนอกนั้นลงมาแปลว่าสัตตะทั้งหมดแปลว่าสัตว์ทั้งหมดแปลว่าผู้ยังคล่องยังคล่องอยู่ในภพในชาติจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันเรียกว่าสัตตะ สับเพสัตตาสุขิตาหุนตุขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขอันดแับแรกก็คืออาหังข้าจงเป็นสุขอันที่สองคือสับเพสัตตาเพราะนั้นเราให้แต่สับเพสัตตาสงเคราะ์แต่โลกอย่างเดียวอาหางตัวเองก็ตาบอดคำหน้าคำหลังก็ไม่น่าจะถูกนะขนา้าพระทธญาติโ ย, ยมเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยให้อาหางส่วนหนึ่งแล้วก็สับเพสัตตาด้วย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 แบบหัวใจวายตายพอตายแล้วก็ไปโผล่ไปหายทหารหยมมาทูดเขาคนลากแขนไปไปหายมมาทูดแต่ว่าตะแก่เนี่ยแตเหมือนกับเราไปต่างประเทศเราจะไปประเทศไหนมันก็เป็นช่องคลองใครช่องคลองเราจะไปสู่สวรรค์หรือจะไปสู่นรกหรือจะไปเป็นเปรตหรือจะไปสัตว์ที่ระชนัน เป็นช่องของใครของเราแต่ตะแก่เนี่โผล่เข้าไปไปทางต่ําคงจะไปทางนรกอะ่ะพอโผล่เข้าไปตกตะแก่ก็ไม่รู้รนะโผล่ไปทางไหนแต่ขึ้นไปสารซะก่อนเขาจะต้องวินิจฉัยพอไปเห็นย ม, มทูตผู้วินิจฉัยคดีความมตะแก่ก็โมโหอยู่ในใจเพราะว่าตายไปแล้วไม่ได้บอกได้กล่าวไม่ได้เตือนซะก่อนไปถึงตะแก่ก็ท่านย ม, มทูต ท่านทำกับผมไม่เป็นธรรมเลยนะท่านรู้ไหมก่อนที่จะเอาผมมาเนี่ยท่านต้องเตือนผมซะก่อนบอกผมซะก่อนจึงจะถูกอันนี้นี่ศีลของผมมีพินักรรมผมก็ยังไม่ได้ทำให้กับใครเรื่องราลวละไผมก็ไม่ได้สั่งลูกสั่งหลานสั่งใครต่อใครท่านเอาผมมาอย่างนี้ออกมาได้อย่างไงแสดงว่าไม่เป็นธรรมกับผมเล ย, ยใช้อำนาจจนเกินไป อย่างนั้นก็ต้องบอกผมสะกก่อนสิก่อนที่จะเอาผมมาเนอันนี้คือตะแก่ตะบันใส่หน้ายมมทูดเพราะว่าตะแก่โมโหใช่ไหมแอบแบบหัวใจวายตายยมมทูดเขามีอำนาจเต็มใช่ไหมเขาต๊โตะ๊ตะเปี้ยงหยดยาพูดพูดได้ยังไงเราเตือนไม่รู้กี่ครั้งเธอเองไม่ฟังเด้อด้านจะว่าเป็นเตือนได้ยังไง อ้าวท่านจอมพลโทษเตือนผมครั้งไหนผมไม่เห็นรูนะ้ไฮะผมหอกที่หัวนั่นอายุเท่าไหร่ประมาณสี่สิบครับนั่นละจดหมายฉบับที่หนึ่งจอมพลโทรเขาบอกนะแล้วฟันหลุดละ่ะฟันหลดุลดหอฟันล่วงละ่ะอายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบต้นต้นครับนั่นละจดหมายฉบับที่สอง แล้วตาฝ้าฟางแะ้วเท่าไหร่ครับประมาณห้าสิบกว่ากว่านะครับนั่นละจดหมายฉบับที่สามเขาเตือนมาเรื่อยๆอยจนถึงหูตึงจนถึงหนังเหี่ยวหลังค่อมอายุถึงเจ็ดสิปีถ้าจะไม่ให้เขาเตือนได้ยังไงตัวเองดื้อด้านต่างหากไม่ฟังพอผมขาวขึ้นมาก็เอาสีมาย้อมพอฟันหลุดขึ้นมาก็เอาฟันปลอมใส หูตึงเอาของมาใส่ให้หูได้ยินพอตาฟ้าฟางเอาใส่แว่นตาเข้าไปมีแต่หลงลืมตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะตายนี่แหละแสดงม่าดื้อด้านมากไปทหารเอาไปลงนรกให้เข็ด <c oughs> จากนั้นทหารก็เลยล็อกแขนทั้งสองข้างไปลงนรกนอให้เข็ดเหมือนกันไม่รู้จะไปล้มไหนก็ไม่รู้แล้วแ่เนี จุดแทบบาปกรรมแต่ที่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะยืนอยู่ทั้งหลังเนละยตัวสั่งเหมือนกันนะ่ะนะพูดกับยมมาโทษนะท่านยมมาโทษครับคุณลุงคนนั้นนะ่ะท่านเตือนจริงอยู่ครับผมก็เห็นด้วยครับแต่สําหรับผมเนี่ยอายุยังหนุ่มนะอายุเพียงยี่สิบกว่าเนะี่ก็เอาผมมาแล้วนะท่านยังไม่ได้เตือนผมเลยครับไอันนี้ก็หาทางออกใช่ไหมล่ะแบบนักการเมืองนะ่ะโยมมาโทษก็ โตบโตเปี้ยงสต่ยุดยาพดนมเพื่อนของแกนะยุทธไหลที่ตายไปเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมใช่ครับเป็นอะไรเป็นปลอดบวมครับนั่นแหละเธอเป็นอะไรผมไตาวายครับนั่นแหละคําว่าเตือนคำนี้ไม่ใช่ว่าจะเตือนแบบเดียวกันในเมื่อมูเพื่อนอยู่ใกล้กันตายกันน่าจะน้อมนำลาลึกถึงว่าอีกสักวันหนึ่ง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 เกิดแล้วจะลืมตัวอีกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยยมมาโทษเขามีจดหมายกี่ฉบับแล้มาหาพวกเราให้พวกเราดูตนเองก็แล้วกันได้เ่ยกี่ฉบับแล้วยมมาโทษเตือนมาเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้เตรียมพร้อมให้ประกอบคุนงามความดีเอาไว้นะอารับพรนรโมตนาให้พร